หรือทางสายกลางตอน5ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่12บุพภาคของการศึกษาอย่างที่หนึ่งปรตโตโคสะที่ดีเท่ากับกัลยาณมิตรบุพภาคของการศึกษาหรือบุพนิมิตแห่งมัชิมาปฏิปทา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 มีข้อความในพระไตรปิฎกเช่นในอาสาวัคที่หนึ่งตัติยปันนาตอังคุตรนิกายทุกันิบาตแสดงหลักการสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมีสองประการดังนี้คือปารโตโคสะและโยนิโสมณสิการปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิสองอย่างตามพุทธพจน์ที่ตรัสไปนี้คือหนึ่ง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 หรือคำแนะนำจากบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรข้อแรกนี้เป็นองค์ประกอบฝ่ายภายนอกได้แก่ปัจจัยทางสังคมอาจเรียกง่ายๆว่าวิธีการแห่งศรัทธาปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิอย่างที่สองโยนิโสมนัสิการแปลว่าการทำในใจโดยแยกขายซึ่งก็ตกับการใช้ความคิดถูกวิธีความรู้จักคิดคิดเป็นหรือคิดอย่างมีระเบียบ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 ได้แก่ปัจจัยในตัวบุคคลอาจเรียกง่ายๆว่าวิธีการแห่งปัญญามีพุทธพจน์แสดงปัจจัยทั้งสองนี้ในภาคปฏิบัติของการฝึกอบรมเน้นถึงความสำคัญอย่างควบคู่กันดังนี้คือ 1. สําสำหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษาเรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นใดมีประโยชน์มากเท่าความมีกลยานามิตรเลยสําหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษา เรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายในอื่นใดมีประโยชน์มากเท่าโยนิโ s ม m ณสิการเลยปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ย่อมสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับคนสามัญซึ่งมีปัญญาไม่แก่กล้าย่อมต้องอาศัยการแนะนำชักจูงจากผู้อื่นและคล้อยไปตามคำแนะนำชักจูงที่ฉลาดได้ง่ายแต่ก็จะต้องฝึกหัดให้สามารถใช้ความคิดอย่างถูกวิธีด้วยตนเองได้ด้วยจึงจะ ก, ก้าวหน้าไปถึงที่สุดได้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 การมีกัลยาณมิตรส่วนปัจจัยอย่างที่สองคือโยนิโสมนสิการเป็นตัวหลักการใช้ปัญญาซึ่งจะต้องพิจารณาว่าควรใช้ความคิดให้ถูกต้องอย่างไร mm hmm. เมื่อนำปัจจัยทั้งสองมาประกอบกันนับว่ากัลยาณมิตตาเป็นองค์ประกอบภายนอกและโยนิโสมนสิการเป็นองค์ประกอบภายในถ้าตรงข้ามจากนี้ คือได้ผู้ไม่เป็นกัลยาณมิตรทำให้ประสบประโตโคลส่าที่ผิดพลาดและใช้ความคิดผิดวิธีเป็นอโยนิโสมนสิการก็จะได้รับผลตรงข้ามคือเป็นมิจฉาทิฏฐิไปได้